ญาติโยมหลายคนหลายคณนะเวลามาเยี่ยมอาตมาคุยกันได้สักพักเ้นะาก็จะขอให้แสดงธรรมอันนี้ก็ยังดีนะเพราะว่าหลายคณะนะนะพอได้สนทนากันสักหน่อยนะถวายสังฆทานเสร็จก็ตบ ท, าท้าวยกันถ่ายรูปเสร็จแล้วก็รีบไป ขณะที่เขาอยากจะฟังธรรมนี่ก็ก็เรียกว่ามีความตั้งใจแต่จะดียิ่งขึ้นนะถ้าเกิดว่าก่อนจะมาเนี่ยนะก็เตรียมตัวสักหน่อยทํากันบ้านสักหน่อยนะว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรบางทีไม่ได้คิดกันนะพอมาถึงนะมีเวลาไม่นานก็คอยจะมาแสดงธรรมเหมือนก็เป็นเทปนะเปิดปุ๊บติดปับ นะควรจะเตรียมตัวมาสักหน่อยนะว่าเอออยากจะฟังเรื่องอะไรหรืออยงน้อยๆก็เตรียมคำถามมานะว่าอยากจะถามเรื่องอะไรนะส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมมานะอุตส่าห์เดินทางไกลจากกรุงเทพก็มีพอถามว่าอยากจะให้แสดงธรรมเรื่องอะไรก็ตอบไม่ได้นะมาสนทนากันแบบนี้เนี่ยก็ควรจะนะได้ฟังเรื่องที่สนใจนะนี้บางคณะธรรมาก็ ก็ไม่ได้สนองศรัทธาทันทีนะก็อยากจะให้แสดงทำก็ก็ไม่แสดงแต่ถามถามเขาว่ามีอะไรอยากจะอยากจะรู้หรือว่ามีคำถามไหมหลายคณะนี่พอเจอคำถามอันนี้ก็ตอบไม่ได้ว่าจะถามอะไรเพราะคนไทยเราก็ไม่ค่อยได้อชอบตั้งคำถามเท่าไหร่อาจจะติดนิสัยมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะก็ให้อาจารย์ บัญญาอย่างเดียวอันนี้เหมือนกับว่าต้องรอ้อยคนมาป้อน น, นนะต้องรอ้อยคนมาป้อนถ้าจริงแล้วเนี่ยถ้าจะมาหาพระนะอยากจะมาฟังธรรมเนี่ยก็ควรจะคิดสักหน่อยนะว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรหรือถ้าดีก็เตรียมคำถามมาเพราะว่าโอกาสที่จะได้มาถึงวัดป่าสุกโตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าง่าย เสียเวลาหลายชั่วโมงแล้วก็บางทีก็ได้แค่รูปถ่ายกลับไปแล้วก็ได้บุญนะที่เกิดจากการถวายสังฆทานอันนั้นมันก็ดีอยู่นะแต่มันน่าจะได้มากกว่า น, นั้นตเตรียมคำถามมาอยากจะรู้เรื่องอะไรหรือว่ามีความทุกข์เรื่องอะไรก็มีคณะหนึ่งแนละ้วก็เป็นคณะเล็กๆนะสามสี่คนพอจะมา บอกว่าเออมีอะไรจะถามเขาก็อึ้งสักพักแต่แล้วคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องลูกนะห่วงลูกเรียกว่าเป็นทุกข์เพราะลูกก็ได้เพราะลูกเนี่ยนะพ่อนี่สอนอยังไงก็ไม่ฟังลูกนี่ชอบกินเหล้าเลือกกินเป็นอา จ, จนินอายุคงจะเป็นวัยคงเป็นหนุ่มนะ อาจจะเพิ่งจบหรืออาจจะกาลังเรียนอยู่ก็ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาของอีกสองคนที่มาด้วยนะมีปัญหาเรื่องลูกเขาเป็นทุกว่าสอนลูกอย่างไรลูกก็ไม่เชื่อฟังอัตมาก็เลยบอกเขาไปว่าลูกจะฟังพ่อเนี่ยหรือฟังแม่ก็ตามเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากพ่อแม่ฟังลูกก่อนส่วนใหญ่พ่อแม่ไม่ค่อยฟังลูกนะ ตอลูกเด็กๆนะพ่อแม่ก็สั่งสอนอย่างเดียวหรือห้ามอย่างเดียวหรือบังคับอย่างเดียวพอลูกโตขึ้นเนี่ยลูกก็ไม่ฟังพ่อแม่อันนี้เกิดขึ้นเป็นประจำนะตรงข้ามกับครอบครัวบางครอบครัวนี่เขาพ่อแม่นี่ฟังลูกนะมีเวลาคุยกับลูกพอลูกเป็นวัยรุ่นนะมีปัญหาอะไรลูกก็ มาคุยกับพ่อแม่หรือว่าพ่อแม่เนี่ยมีอะไรจะแนะนำลูกก็พูดไปลูกก็ฟังมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคือถ้าพ่อแม่ไม่ฟังลูกพอโตขึ้นลูกก็ไม่ฟังพ่อแม่หรือบางทีไม่ต้องรอยลูกโตเนี่ยลูกขนาดที่ยังเด็กเก้าขวบส0บขวบก็เริ่มไม่ฟังพ่อแล้วไม่ฟังแม่ เราอยากจะให้ใครฟังเราเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เราฟังเขาก่อนอันนี้มันเป็นเรื่องที่คนมักจะมองข้ามแทนที่จะสอนนะก็คุยกันพ่อแม่ไม่ค่อยได้คุยกับลูกเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนอย่างเดียวสั่งอย่างเดียวให้การพูดคุยกันเนี่ยมันก็หมายความว่าฝ่ายหนึ่งพูดฝ่ายหนึ่งฟังนะแล้วถึงเวลาอีกฝ่ายหนึ่ง พ่อที่ฝ่ายนี่ก็ฟังบ้างเรียกว่าเป็นการสนทนาซึ่งมันจะช่วยนะเวลาลูกมีปัญหาเนี่ยคนแรกที่ลูกจะมามาบอกมาคุยมาเล่าให้ฟังก็คือพ่อแม่แต่ว่าลูกเดี๋ยวนี้เนี่ยนะมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะไม่คุยหรือไม่บอกเล่าพ่อแม่ก่อน เพราะว่าในบ้านไม่เคยมีการคุยกันมีแต่การพูดช่างเดียวนะเรียกว่าสอนนะก็บอกเขาไปนะว่าเดี๋ยวเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยนะเขาจะเขาจะเชื่อเพื่อนมากกว่าอโยมก็เห็นด้วยนะว่าเออจริงนะลูกๆเขานี่เชื่อเพื่อนมากกว่าก็ถามไปว่าเนี่ยลูไม่ทำไมลูกนี่เชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ เขาก็ไม่รู้เขาก็เลยตอบว่าเป็นเพราะว่าเพื่อนเนี่ยไม่สอนสั่งไม่สั่งสอนลูกไม่ไม่สั่งสอนเขาลูกเนี่ยเชื่อเพื่อนเพราะลูกเพราะเพื่อนเนี่ยไม่ไม่สั่งสอนลูกแต่คุยกันนะลูกเนี่ยคบเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเนี่ยไม่เอาแต่สอนแต่คุยกันลูกเนี่ยเชื่อฟังดาราเพราะดาราไม่ได้สั่งสอนเขา อันนี้เป็นสิ่งที่คนมักจะคนที่เป็นพ่อแม่มักจะมองข้ามทีนี้ถ้าเริ่มต้นจากการฟังถึงเวลาจะพูดเนี่ยก็พูดนะอย่างมีาการใครครวญสักหน่อยจะพูดให้มันได้ผลนี่ก็ต้องนะรู้จักคิดใครครวญถึงเวลาจะแนะนำนะมันก็ต้องแนะนำให้เป็นให้มันให้มันโดนใจเขา ให้เขารับฟังแต่ส่วนใหญ่ก็อย่างที่ว่านะก็สั่งนะแล้วก็ว่าแต่ที่จริงมันมีวิธีการสื่อสารนะการสื่อสารกับการสั่งสอนไม่เหมือนกันนะการสื่อสารคือการพูดกันดีๆพูดโดยเอาความรู้สึกของของพ่อแม่นี่มาถ่ายทอดมาสื่อสารให้ลูกฟังว่าลูกตอนนี้พ่อแม่รู้สึกยังไงที่ลูกนะกินเหล้าหรือว่า ถ้าเป็นเด็กเล็กน้อยเนี่ยพ่อแม่รู้สึกอย่างไรที่ลูกเนี่ยไม่ทำกันบ้านลูกนอนตื่นสายนีแม่คนนึงนะมีความทุกข์มากเลยนะลูกอายุสิบขวบตื่นสายเป็นประจำปลุกแล้วก็ไม่ยอมตื่นตื่นแล้วก็โยกโย้แม่ว่าแล้วมาอีกว่าอี ก, ก็ไม่สนใจบางทีแม่ตีเลยนะทุบตีลูกเลยพอลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่พอลูไม่เชื่อฟังแม่ แ้วแม่ก็เสียใจวันหนึ่งแม่ก็ไปไปเข้าคอเสี่ยวการสื่อสารนะแล้วเขาก็แนะนําว่าเวลาจะคุยเนะี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยก็นับหนึ่งถึงร้อยก่อนนะนับหนึ่งถึงร้อยค่อยว่าลูกเ้าก็ทํานะเวลาจะว่าลูกเขาก็นับหนึ่งถึงร้อยพอนับหนึ่งถึงร้อยใจมันก็เย็นแล้วเขาก็แล้การแนะนําว่าเวลาคุยกับลูกอนะให้พูดถึงความรู้สึกของตัวเองวนะ่า เชนเนี่ยแม่ลูกตอนนี้แม่ไม่สบายใจนะแม่พิโตกังวลที่ลูกเนี่ยตื่นสายเพราะว่าถ้าลูกตื่นสายแล้วลูกก็จะไปโรงเรียนสายแม่ก็จะไปทำงานช้าขอยลูกเนี่ยเรีบลูกขึ้นมาอาบน้าแปรงฟันซะบอกว่าพอแม่พูดแบบนี้กับลูกนะลูกที่ฟังนะลูกฟังลูกอาจจะแปลกใจว่าต่กอนนี่แม่ด่าอย่างเดียวเลย ว่าอย่างเดียวหรือขู่นะแต่วันนี้แม่พูดดีนะแม่ไม่ได้ว่าตัวเองแต่แม่พูดถึงความรู้สึกของตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรที่ถ้าที่ลูกเนี่ยนอนตื่นสายแล้วก็แม่อยากจะให้ลูกทําอะไรอยากจะให้ลูกรีบลูกขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเด็กร่วมมืออย่างดีเลยนะเพราะว่าแม่เนี่ยพูดดีกับลูกตอนหลังก็ความสัมพันธ์ระหว่าง แม่กับลูกก็ดีขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยลูกก็บอกแม่ว่าแม่ลูกลักแม่นะมาถ่ายรูปด้วยกันก่อนนั้นนั้นไม่เคยพูดเลยนะลูกไม่เคยพูดอย่างนี้กับแม่เนี่ยความชมาเปลี่ยนไปเพราะว่าแม่เริ่มฟังลูกแล้วก็มีวิธีการสื่อสารกับลูกนะไม่ใช่สั่งไม่ใช่ห้ามไม่ใช่ด่าไม่ใช่ว่าสมัยนี้เนี่ยนะอ่อ เด็กเขาไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่พ่อแม่หรือครูจะว่ายังไงเด็กก็อาจจะไม่ถือสาอาจจะยอมแต่เดี๋ยวนี้ค่อมีความเป็นตัวของตัวเองมากแล้วพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจเอาความรักของตัวเองเป็นตัวตั้งเพราะคิดว่าตัวเองรักแล้วปรารถนาดีหวังดีแล้วนี่ทำอะไรมันถูกทั้งนั้นอันนี้ก็ไม่จริงนะความปรารถนาดี แต่ถ้ายึดมั่นถือมันมากนะมันก็ก่อให้เกิดผลเสียผลร้ายได้ยาคาที่จับให้ไม่ดีมันก็บาดมือก็บอกนะญาติโยมนะกลุ่มนี้ว่าเนี่ยถ้าเรารักเขานะเราก็จะเอาตัวเราเป็นตัวตั้งต้องเอาเขาเป็นตัวตั้งก็คือพยายามเข้าใจเขาเข้าใจว่าเขามี ความรู้สึกนึกคิดอย่างไรนะยิ่งเป็นวัยรุ่นเนี่ยยิ่งต้องเข้าใจความรู้สึกของเขาเพราะถ้าไม่พยายามเข้าใจเขาเนี่ยคําพูดของเราเนี่ยมันอาจจะไปเกิดผลเสียกับเขาได้เดีย๋ยวนี้พ่อแม่นี่ไม่ค่อยได้พยายามเข้าใจจิตวิญญาของเด็กหรือของลูกของตัวเองนะเอาแต่ความต้องการตัวเองความปรารถนาดีของตัวเองนีเป็นหลักถ้าเราลักเขาต้องพยายามเข้าใจเขารู้จักเขาให้มาก อย่าว่าตายเลยเลยม้กรทั่งศัตรูนะสุนโว่ก็ยังบอกเลยนะว่ารู้เราอย่างที่ไม่พอต้องรู้เขาด้วยขณะจะทาศึกสงครามนะก็ต้องรู้จักศัตรนะูรู้เรารู้เขาเนี่ยร้อยศึกก็บอบพ่ายไอ้ลูกนี่มันไม่ใช่ศัตรูนะมันเป็นยอดยอดรักของเราก็ยิ่งต้องเข้าใจเขารู้จักเขาพยายามฟังค่อยมากนะจะรู้จักเขาได้ก็ต้องรู้จักถามเช่นลูก กินเหล้าลูกตื่นสายก็ถามลูกเลย <c oughs> ทำไมถึงชอบกินเหล้ากินเหล้ามันดีอย่างไรนะถามด้วยความอยากจะรู้คาตอบของลูกเนี่ยก็จะทาให้พ่อแม่เข้าใจลูกลักหรือว่ารู้จักลูกมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าจะสื่อสารกับลูกอย่างไรแต่เดี๋นี้พ่อแม่ไม่ค่อยถามลูกเท่าไหร่นะเพราะว่า อ, อย่างที่บอกว่าไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่แล้วพ่อแม่ก็คิดว่ารู้จักลูกดี เพราะว่าพ่อแม่เคยเป็นวัยรุ่นเหมือนลูกนยะอันนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะว่าประสบการณ์ของลูกกับประสบการณ์ของเราจะแตกต่างกันหลายคนมักจะมองว่าเนี่ยฉันรู้จักลูกดีเพราะฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนแกอันนี้ก็ทำให้ไม่ฟังลูกนะไม่พยายามเข้าใจลูกเพราะคิดว่าฉันรู้จักรูกดีแล้วความคิดว่าฉันรู้จักลูกดีแล้ ว, ว, ว, น, ลลวนี่อันตรายมากเลยเพราะว่า มันทำให้ไม่ฟังเขามันทําให้เราคิดว่าเราตัดสินล่วงหน้าเรียบร้อยไปแล้วการตัดสินล่วงหน้าการสลดล่วงหน้าเนี่ยมันทําให้เราไม่ฟังไม่รับรู้แล้วมันทําให้การสื่อสารเนี่ยมีปัญหาเพอะเราเคิดเรารู้แล้วเนี่ยแทนที่จะสื่อสารก็ลกลายเป็นการสั่งสอนไปไวัยรุ่นนี่เจอแบบ น, นี้เขาก็ยิ่งต่อต้านนะต้องพยายามรู้จักเขาให้มากนะแล้วก็เอาเขาเป็นตัวตั้ง อย่าเอาเราอย่าเอาประสบการณ์ของเราเป็นตัวตั้งอย่าเอาความหวังดีของเราเป็นตัวตั้งว่าถ้าเราหวังดีแล้วลูกต้องทำตามทุกอย่างก็ฉันรักลูกฉันหวังดีกับลูกความคิดแบบนี้มันทำให่พ่อแม่เสียใจไ่เยอะแล้วเพราะมันทำให้ลูกเตลิดเปิดเปงไปครนนี้ถ้าเราพยายามทำทุกอย่างแล้วนะพยายามฟังแล้วพยายามคุยแล้วพยายามสื่อสารถามก็ถามแล้วนะพยายามเข้าใจเาแล้ว เขก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ต้องปล่อยวางแล้วต้องปล่อยวางแล้วคือปล่อยวางในที่นี้หมายความว่าต้องยอมรับความจริงว่าเราสอนเข้าไม่ได้เพราะแม่ส่วนใหญ่ทุบเพราะคิดจะไปบังคับลูกให้เป็นไปตามใจตัวลูกเนี่ยนะมันไม่ใช่ของเราบังคับให้เป็นไปตามใจไม่ได้อย่าว่าแต่ลูกเลยนะร่างกายของเราเนี่ยเรายังบังคับมันไม่ได้เลย บังคับไม่ให้ป่วยบังคับไม่ให้เมื่อยเรายังบังคับไม่ได้ใจก็เหมือนกันนะบังคับไม่ให้ฟุ้งบังคับไม่ให้กลัวก็ยังบังคับไม่ได้เนี่ก็ขนาดร่างกายจิตใจเรายังบังคับไม่ได้เนี่ยจะไปบังคับลูกได้อย่างไรนะเราจะบังคับลูกให้เป็นไปตามใจเราได้ก็ต่อเมื่อเราบังคับกายและใจของเราได้เราคิดแต่จะไปบังคับคนอื่นไปสั่งคนอื่นแต่เราสั่งกายก็ไม่ได้ นะสั่งใจก็ไม่ได้ในเมื่อเราสั่งกายสั่งใจของเราเองไม่ได้เราจะเราจะไปสั่งลูกได้อย่างไรนะมีเพื่อนต่อมาคนหนึ่งนะไปเจอตัมมาในงานศพของพ่อเพื่อนพอไปถึงเขาก็มาขอบคุณตัมมาก็งงว่าขอบคุณเรื่องอะไรเพราะไม่ได้เจอกัน น, ะนานทีเดียวรู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือเนเมื่อ ห้าสิบปีที่แล้วคบกันมาห้าสิบปีนะแต่ไม่ค่อยได้เจอกันนานๆครั้งจเจอกันในงานศพพ่อเพื่อนเขาก็มาขอบคุณแล้วเขาก็เล่าว่าเนี่ยมเมื่อเร็วๆนี้ได้ฟังคำบรรยายของตามมาก็ได้ตามมาก็พูดถึงเรื่องว่านี่มันไม่มีอะไรจะเป็นของเราเลยนะ เดีย๋ยวว่าแต่สิ่งของเลยนะแม้กระทั่งร่างกายของเราจิตใจเราก็ไม่ใช่ของเราบังคับควบคุมให้เป็นไปตามใจปรารถนาไม่ได้ลูกก็เหมือนกันลูกก็ไม่ใช่ของเราเราเลี้ยงได้แต่ตัวแต่เดี๋ยวนี้เลี้ยงได้แต่ตัวนี่ก็ไม่ถูกแล้วนะเราเลี้ยงไม่ได้แม้กระทั่งตัวเขาเราอยากให้เขาผอมเขาอ้วนมากเขาก็ไม่ยอมผอมสักทีความอ้วนก็ไม่ลดหรือบางคนเราอยาก จะให้ลูกอ้วนแต่ลูกก็ไม่อ้วนลูกก็ยังผอมนะขเขาบอกเลี้ยงแต่แต่ตัวก็ยังไม่ถูกนะนะตัวก็เลี้ยงไม่ได้นะจิตใจก็ยิ่งแล้วใหญ่ก็ได้ฟังก็ได้คิดนะเพราะเขามีปัญหากับลูกชายที่กําลังเรียนอยู่มาอหลายตัวเขาเยังเป็นนักธุรกิจนะเคยทําธุรกิจเป็นระดับพันล้านเลยเป็นคนเก่งนะขยันเรียนมีวิัยแต่ลูกเนี่ยนะ ไม่ค่อยสนใจการเรียนการเรียนก็ไม่ค่อยดีวินัยก็ไม่ต้องพูดถึงนะพ่อก็พยายามจำจีจำัยลูกบางทีก็ถึงกับต่อว่าลูกนะลูกกจริงต่อต้านเขาเองก็เครียดความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับเขาก็ห่างเหินพ่อก็ได้ฟังที่ธรรมาพูดเขาก็เออได้คิดนะแล้วเขาก็เริ่มปล่อยวางนะก็ดูดา่า นะว่ากล่าวน้อยลงก็พบว่าเขาผ่อนคลายมากขึ้นและที่เขาแปลกใจไม่เชื่อก็คือว่าไม่คาดคิดก็คือว่าความสมันกับลูกนี่ดีขึ้นวันหนึ่งลูกมาบอกเขาว่าเนี่ยพ่อพ่อเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวนี้พ่อฟังลูกมากขึ้นแกงงเลยเพราะแกก็ไม่ได้คิดจะทำอะไรมากนะแกก็แค่เพียงแค่ปล่อยวางไม่ได้คิดที่จะ ฟังลูกให้มากขึ้นเลยแต่มันฟังเองพอปล่อยวางแล้วนะใจก็เปิดกว้างความเปลี่ยนแปลงก็ปรากฏโดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำแต่มาเริ่มต้นที่ใจก่อนพอใจเปลี่ยนนะอากับกิริยาความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะลูกก็ตอนนี้ก็เริ่มทำตัวดีขึ้นแล้วทำตัวดีขึ้นโดยที่พ่อก็ไม่ได้จาตีจำชัยนะเพียงแค่พ่อปล่อยวางเท่านั้นแล ลูกก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของพ่อแล้วก็เริ่มนะฟังพ่อมากขึ้นก็เลย ม, มาขอบคุณนะก่อนเกอือธรมาก็แนะนำเขาไปนะว่าเนี่ยอยากคาดหวังในตัวลูกแต่ให้มีความหวังในตัวเขาอันนี้อรรมาก็ฟังมาอีกทีหนึ่งนะรู้จึกรู้สึกจะเป็นคุณแม่เทเรซานี่ยแกแกเคยพูดเอาไว้ซึ่งก็จริงนะเพราะว่า หลายคนเนี่ยพอเปลี่ยนนะจากความคาดหวังเป็นความหวังเนี่ยนะความสัมพันธ์ดีขึ้นเวลาเราคาดหวังใครเนี่ยคนนั้นก็อึดอัดเราเองก็ทุกข์เพราะว่าเขาไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังสักทีไอคนที่ถูกคาดหวังก็อึดอัดนะเพราะว่าพอไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเราเราก็ว่าเขา แต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนจากความคาดหวังเป็นความหวังไอ้คนที่รู้สึกว่าพ่อแม่มีความหวังกับเราเนี่ยมันก็จะรู้สึกตัวว่าตัวเองเนี่ยนะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นแต่ก่อนรู้สึกแย่นะทําอะไรก็ไม่ถูกใจพ่อแม่ทําอะไรก็ผิดเป็นหมดนะเพราะพ่อแม่ที่คาดหวังสูงแต่พอพ่อแม่เปลี่ยนจากความคาดหวังเป็นความหวังลูกรู้สึกดีขึ้นนะว่าเออเรายังมีอะไรดีให้ให้ให้พ่อแม่ได้หวัง เช่นหวังในตัวลูกว่าไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรลูกก็จะเป็นคนดีนะพึ่งพาตัวเองได้ลูกจะเรียนอะไรเรียนที่ไหนนะไม่เป็นไรนะยังไงแม่พ่อก็ยังมีความหวังในตัวลูกเสมอนะมีความทุกข์มีความผิดหวังยังไงอย่าลืมนะมีพ่อแม่เนี่ยที่ยังคอยอช่วยเหลือลูกอยู่หรือคอยให้ความหวังกับลูกอยู่ ก็บอกเขาไปนะาเนี่ยแม่ลูกจะกินเหล้านะแต่งไงก็ให้มีความหวังก็รั่ว่อย่างไงเขาก็คงจะเป็นคนดีสามารถจะเป็นคนดีแล้วก็สามารถจะนำํำพาเชี้งตัวเองไปในทางที่ถูกต้องได้ถ้าเราพูดแล้วนะพยายามแนะนําแล้วนะซักถามเขแล้วเขาก็ยังนะกินเหล้าเหมือนเดิมนะก็ก็ให้มีความหวังในตัวเขาอันนี้ก็เป็นข้อคิดซึ่งอาจจะไม่ใช่คําตอบสำเร็จรูปนะแต่ว่ามันช่วย พ่อแม่นะหลายครอบครัวได้มากทีเดียวอ่แล้วก็อ่วันนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้